พอใจมันตื่นแล้วนะมันภาวนามนจะไม่ยากแล้วใจตื่นแล้วดูขันมันทํางานไปอย่าไปแทรกแสงมันอย่างจิตมันจะคิดเราก็ไม่ห้ามมันจิตคิดเราก็เห็นจิตมันหนีพิคิดจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตที่ดีจิตะ จ, ต ะ, จ, ต ะ, จตะชั่วมันเป็นยังไงก็รู้นะไม่แทรกแสงงันการภาวนาจะง่ายเพราะเราไม่ได้ทําอะไร เรารู้อย่างที่กายเป็นรู้อย่างที่ใจเป็นไม่ได้ทำอะไรดูเป็นสบายๆดูมันดูคนอื่นให้รู้อย่างที่มันเป็นเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์ดูเขาทำงานไปเรื่อยสบายๆให้เรารู้ทันใจมันไม่มีความสุขก็รู้ทัน ไม่ใช่ว่าต้องดีต้องสุขนะใจมันเป็นยังไงรู้ไปอย่างที่มันเป็นรู้ไปสบายๆแล้วถ้ามันเห็นสภาวะอย่างนี้แล้วใจไม่ชอบให้รู้ทันเห็นสภาวะอย่างนี้ใจชอบพรู้ทันให้รู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบเวลามันไปรู้สิ่งต่างๆเข้ามันเป็นสัมผัสอย่างนี้มันชอบสัมผัสอย่างนี้ไม่ชอบ รู้ที่ชอบที่ไม่ชอบนะความชอบความไม่ชอบจะดับไปจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางคราวนี้ความสุขมาจิตไปชอบรู้ทันความชอบดับจิตเป็นกลางความทุกมาจิตไม่ชอบรู้ทันว่าไม่ชอบนะความไม่ชอบก็ดับจิตก็เป็นกลาง<ะ>งั้นเราก็จะรู้สภาวะทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกันรู้ได้จิตใจที่เป็นกลาง ก็เราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายมีเหตุทั่เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีอะไรที่บังคับได้ใจเราไม่ยอมรับความจริงตัวนี้ใจเราอยากให้สิ่งที่ดีๆเกิดอยากให้สิ่งร้ายๆไม่ไม่มางั้นตรงที่ใจเรามีความอยากเกิดขึ้นมันไม่สุขก็อยากให้สุขมันมีทุกข์ก็อยากให้มันไม่ทุกข์อเงี้ยมันมีความอยากเกิดขึ้นใจจะดิ้นรนแล้วใจจะมีความทุกข์ขึ้นมา เมื่อนไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นถ้าเรารู้ด้วยความเป็นกลางใจจะไม่เติมความทุกข์เข้าไปอย่างร่างกายไม่สบายคนทั่วท่วไปร่างกายไม่สบายใจไม่ชอบใจเลยไม่สบายด้วยเติมความทุกข์เข้าไปเจ็บป่วยธรรมดาไม่พอเติมความทุกข์ทางใจเข้าไปด้วยนี่ถ้าเรารู้ทันนะใจไม่ชอบความเจ็บป่วยความไม่ชอบดับใจเป็นกลาง เราก็เห็นความเจ็บป่วยมันอยู่ที่ร่างกายนะความทุกข์ทางใจมันจะไม่มีความทุกข์ทางใจเกิดจากใจมันอยากใจมันอยากเพราะว่ามันชอบอันนี้มันไม่ชอบอันนี้ถ้าชอบมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าไม่ชอบก็อยากให้หายไปให้หมดไปให้สิ้นไปเร็วๆอยากได้มาเรียกว่ากรรมตัณหา อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้หมดสิ้นไปเรียกว่าวิภวะตัณหาเวลาความอยากเกิดที่ไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นเข้าถึงใจเลยงั้นเรารู้ทันใจมีความอยากก็รู้ทันใจใจชอบอ่ะใจไม่ชอบก็รู้ใจไม่ชอบก็รู้รู้ตัวนี้ก็ชอบแล้วกามตัณหาก็เกิดภาวะตัณหาก็เกิดไม่ชอบแล้ววิภวะตัณหาก็เกิด ถ้าเรารู no ้ทันน like yup. si <active. punishing. S 1> ั้นมันเป็นกลางเราก็จะรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่รู้อย่างที่อยากให้มันเป็นก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นไม่ใช่อย่างอยากให้มันเป็นอย่างนี้เห็นใจอย่างที่ใจเป็นคือเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ไม่ใช่เห็นอย่างที่อยากให้มันเป็นถ้าอยากทีไรก็ทุกข์แล้วที่อยากขึ้นมาได้ก็อาศัยยินดียินร้ายนี่ปรุงอยากขึ้นมารู้ทันไปเรื่อยนะ S 1> <S 1> สบายทุกคนเอาไปทําได้นะกรรมฐานอันนี้ ก, กรรมฐานกรรมฐานสากลตาเรามองเห็นจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันใจคิดนึกจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทั น, นไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงถ้ารู้ไม่ทันความยินดียินร้ายจะเกิดการแทรกแซงขึ้น มีความอยากและมีการแทรกแซงความอยากเรียกตัณหาการที่เข้าไปแทรกแซงเป็นการสร้างภพเป็นการทำงานทำกรรมของจิตนะไม่ยากอะไรนะรู้จักไห้ยินดีพอใจยินร้ายไม่ชอบรู้จักไหยชอบไม่ชอบเนี่ยรู้ทันาตามองเห็นเห็นคนนี้มาชอบให้รู้ทันเห็นคนนี้มาไม่ชอบให้รู้ทันเวลาชอบก็อยาก อยากอะไรอยากให้เขาอยู่นานๆเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาอยากให้มันไปเร็วๆก็อยากขึ้นมา ใ, ใจอยากเมื่อไหร่ใจทุกข์เมื่อนั้นะช่วยไม่ได้แล้วตนะอนนั้นยังไงก็ต้องทุกข์ละใครจะส่งกันบ้านนะเชิญให้คนอยู่วัดก่อนกราบนมัสยิดหลวงพ่อคะ่ะขอเข้ามาพระรัตนตรักับหลวงพ่อก่อนอค่ะโยมช่วงนี้สุขภาพ อ, อาจจะไม่ค่อยดีทําให้ มันมีตันหาคืออยากให้มันแข็งแรง อ, อันที่สองก็พยายามรักษาศินก็กิเลสเกิดขึ้นคืออยากจะพูดแต่ก็ต้องอดทนก็รักษาสินได้ดีขึ้น<อ>แต่เห็นกิเลสบ่อยดีเห็นไหมเรามีศีล น, นะเราก็มีสติสมาธิปัญญาก็ดีขึ้นนะตามใจกิเลสทําผิดศินผิดธรรมสติไม่ค่อยเกิดหรอโยมยัง น, นั่งสมาธิยังรู้สึกจะเหมือนจะเพ่งบ่อยๆ <c oughs> ก็พยายามรู้ตัวแล้วก็อาจจะนั่งไม่ได้นานมากเท่าไหร่ก็ได้ ยี่สิบนาทีอะ้วก็ใจมันก็อยากจะเลิกแต่ก็อยากทำได้บ่อยๆอะค่ะดีนั่งเก้าอี้ก็ได้นะไม่ต้องนั่งพื้นหรอกเวลาเดินจงกรมโยมก็จะสบายขึ้นกว่าตอนนั่งสมาธิเหมือนจิตมันผ่อนคลายเดินจงกรมนะเดินกวาดบ้านทูกบ้านก็เดินจงกรมน ะ, ะทุกอีริยาบทที่เคลื่อนไหวเหมือนโยมยังหลงเยอะอยู่ค่ะเพราขอคำแนะนำมา ให้รู้ทันเรอารู้ทันเราก็รู้ว่าอะไรไม่ดีมันก็ละได้ะอะไรดีก็ทําได้ขอบพระคุณ<อ>ที่รู้เอาก็ช่วงนี้เริ่มใหม่อะค่ะหลวงพ่อก็กลับมาเริ่มที่ดูกายเยอะขึ้นนะคะ<ง>เห็นระหว่างวันสติเกิดไม่ไม่บ่อยเท่าที่ก่อนหน้านี้เคยได้อะค่ะก็แต่ก็ไม่รู้สึกสบายกว่าเดิมสติสติสั่งไม่ได้อ ถ้าพยายามสั่งนะทุกเลยต้องทําเหตุหองสติคือหัดดูสภาวะบ่อยๆแล้วสติเกิดเองจิตมันไ ม, ไม่ไม่ได้มีแรงมาเจริญปัญญาค่ะหลวงพอ่อหรือจริงๆแล้วถ้าทำแล้วก็พยายามเจริญปัญญาไปด้วยค่ะหรือไม่จําเป็นค่ะหลวงพอ่อคือถ้าจิตแจออกนอกฐานเรารู้ทันมันก็เข้าฐานโดยที่ไม่ได้บังคับนะถัดจากนั้นเนี่ย เราสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ดูอย่างนี้ก็เรียกเจริญปัญญาแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปเห็นไหมล่ะเห็นค่ะอ้าวแล้วยังบอกไม่เจริญปัญญามันมันไม่ไปแยกคาดแยกขันให้เห็นมันมาก่อก่อนรู้สึกไหมว่าความรู้สึกมันก็อยู่อันหนึ่งจิตมันก็อยู่อันหนึ่งนั่นแหละขันมันแยกมันไม่ใช่แยกแบบจับมันทางไว้ห่างๆนะอย่างนั้นของปลอม มันไม่ได้แยกแบบไปอยู่กันคนละบ้านมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่มันเป็นคละอันกันคำว่าแยกขันนะมันก็คือเห็นว่าขันนไม่ก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ทำงานร่วมกันอยู่นี้แต่เป็นคละอันกันร่างกายกับจิตก็คนละอันสุขทุกข์ก็คละอันกับร่างกายคนละอันกับจิตดีชั่วกโคละอันกับจิตจิตก็คนละอันกับร่างกายกับความรู้สึกนั่แหละเรียกว่าขันแยก ไม่ใช่แยกดึงออกมาอยู่ต่างหากนะไอ้อย่างนั้นแยกปลอมนะใช้ไม่ได้เลยแยกแบบนั้นมรส ก, การหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็รู้สึกตัวได้ไดบ่อยขึ้นเป็นปัจจุบันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังติดอยากก้าวหน้าก็ ย, ย, ยังมีอยู่แค่นี้ครับเออแค่ติดเท่านั้นเองก็ <laughs> ดีแล้ว <laughs> รู้ทันเอา ล้วดูท่าดูขันทำงานไปอย่าไปหวังผลว่าจะได้อะไรเมื่อไหร่ยิ่งอยากยิ่งช้านะดูเล่นๆดูสบายดูมันดูคนอื่นนะดูแบบไม่มีส่วนได้เสียสนะการครับหลวงพ่ อ, อ, อขอคำชี้แนะจากหลพ่อหนะครับเพ่งไหมเพ่งรู้แล้วนี่รู้แล้วก็อย่าไปเพ่งเหมือนทาไมเพ่งที่เพ่งเพราะโลภอยากดีให้รู้ทันใจที่อยากดีนะ เราทำลายต้นต่อตัวกิเลสซะแล้วการเพ่งก็หายไปการเพ่งคือการกระทำกรำเพ่งเสร็จแล้วแน่นอึนัดตัวแน่นตัวอึนัดเป็นวิบากตัวที่ทำให้เพ่งคือกิเลสอยากดีงั้นถ้ารู้ตรงนี้นะตัวอยากนี้ดับการเพ่งก็ดับเมื่อการเพ่งดับวิบากที่แน่นๆก็หายนั่นจะไปแก้ตรงที่มันเพ่งเนี่ยแก้ตรงตัวเพ่งไม่ได้ ให้รู้ทันใจที่อยากแก้แก้ที่เหตุการปฏิบัติเป็นเรื่องเหตุกับผลนะทำเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้ลาเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ก็ดับนะทำเหตุที่ดีก็มีผลที่ดีลาเหตุที่ชั่วนะสิ่งที่ชั่วก็ดับไปเป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งหมดนะวันหนึ่งจะเจอธรรมะที่พ้นจากเหตุผล ธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ถ้าที่พวกเราเห็นอยู่เป็นธรรมะที่เกิดดับมีเหตุแล้วก็มีผลมีเหตุแล้วก็มีผลส่วนมากคิดไว้ปงผลแต่ไม่ชอบทําเหตุอยากได้มากผลแต่ไม่ทําทานถือศีลฝึกจิตให้อยู่กับเน้กับตัวแม่เจริญปัญญาไม่ทําเหตุแต่จะเอาผล หรือปฏิเสธผลทั้งๆ ท, ท, ที่ทำเหตุใจมันมีความทุกข์อยู่เหตุมันคืออยากอยู่มีตันหาผลักดันอยู่ก็ยังปล่อยให้ตันหาผลักดันใจอยู่นะแล้วก็อยากพนทุกข์ไปบางทีจะเอาผลนะไม่เอาเหตุบางทีก็อยากให้ผลหายไปโดยไม่ดับเหตุอยากได้ผล อยากได้คุณงามความดีก็ทำเหตุศีล ส, สมาธิปัญญาทำไปอยากพ้นทุกข์ทุกข์เป็นวิบากเป็นผลชั่วก็อย่าไปทำเหตุของทุกข์เป็นลาสมูทไทยซะลาความอยากซะนะของเรากลับข้างนะเราอยากได้ผลแต่ขี้เกียจทำเหตุเราไม่อยากมีผลเนะี่งความทุกข์เป็นผลนะเราไม่ชอบทำเหตุ เราไปทำเหตุที่ทุกข์เราไม่ไปล้าเหตุที่ทำให้ทุกข์อยากดีก็จะเอาผลดีอยากได้ผลดีจะเอาผลดีไม่ไปทำเหตุของดีอยากสุขอยากสบายอยากไม่ทุกข์ไม่ไปทำเหตุของความดีไม่ไปล้าเหตุของความชั่วก็เป็นอย่างนี้แหละก็เนิ่นช้าไม่ยากอะไรแล้ว ยุติธรรมนะยุติธรรมที่สุดเลยนมาสการครับมันเป็นธรรมชาติขึ้นครับเออแต่ว่าช่วงนี้ดูมันไม่ค่อยเดินปัญญาครับไม่เดินปัญญาพามันคิดจำไม่เลยนะครับถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยคิดพิจารณาเข้าไปเลยครับครูบาอาจารย์ก็ทํามาแบบนั้นะ่ะเวลาท่านเข้าสมาธิมากๆจิตไม่เดินปัญญาหมุนออกียกสมาธิแล้วก็นิ่งท่านพาคิดเลย คิดถึงร่างกายเป็นปฏิคูณสุภาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากระตุ้นให้จิตทำงานครับแล้วก็ช่วงนี้ในรูปแบบก็ใส่บาทแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเกือบทุกวันครับแล้วก็ดีแผ่เมตตาตลอ ด, ดครับอันนั้นเป็นการทำทานให้ชีวิตเป็นทานดีแต่เอาปลาไปปล่อยที่ไหนแล้ว มีคลองอยู่ข้างๆตลาดสดครับ น, น้ำเน่าเ ป, ปล่าปล่อยรงไปปลาสำลักน้ำเดี๋ยวนี้ปล่อยก็ยากนะทันทีพวกเราก็ไปปล่อยสัตว์ผิดที่เอาเต่าไปปล่อยในน้ำนะี่ฆาตกรรมเลย <c oughs> สัตว์เต่าไม่ใช่สัตว์ในน้ำแถวนั้นยังใสยอยู่ครับแถวตลาดไทยครับแล้วปลาอะไรนะปล่อยมีปลาดุกบ้างครับปลาหมอบ้างครับ <c oughs> ปลาดุกลัสเซียป่ะปลาดุกธรรมดา ปสาดุกตัวใหญ่ตัวเล็กครับผมเน้นตัวเล็กเน้นจํานวนชีวิตที่เยอะหอยแม้ทั่วเนี่ยเราเอาปลาดูกรัสเซียเข้ามาตัวมันใหญ่ลงไปน้ํามากินปลาไทยเรียบเลยอย่างพวกหอยนะไปทิ้งในน้ำไหลๆนะใต้ราะฉนั้นต้องดูว่าแต่ละชนิดมันอยู่แบบไหนครับบางอย่างมันก็อยู่ในน้ําที่ไหลได้บางอย่างก็ต้องอยู่น้ํานิ่งๆหน่อย ดีแล้วทำได้ก็ดีอนุโมทน า, าเวลาทำความดีแล้วให้นึกถึงความดีบ่อยๆนึกถึงวลาหลาย ๆ, ๆรอบนะแล้วก็รู้ทันใจคิดถึงไปปล่อยสัตว์ใจเบิกบานรู้ว่าเบิกบานใหรรู้ทันจิตต่อไปเลยก็เดินปัญญาต่อไปานามัตกาหลวงพ่อครับก <c oughs> ออ็ใน <c oughs> ชีวิตประจำวันก็คือจะ ภาวนาไปด้วยขณะทํางานไปด้วยเมตตาคุณนางละห่งเมตตาครับอืแล้วก็ตอนในรูปแบบก็คือภาวนาก็จะมีความเย็นบริเวณหนะ้าอกอืเป็นสมาธิใช่เป็นสมาธิ<า><า>ครับตีระวังสาวๆมาจีบนะเวลาเจริญเมตตาเยอะๆนะคนมาเข้าใกล้แล้วมีความสุขเขาเคลอบเคลิ้มเราต้องมีศีล น, นะครับแต่ว่าจิตดูเหมือนจะเฉยๆนะครับหลวงพ่อไม่เฉยหรอก จิตเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็เฉยจิตก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็อุเบกขานะก็ไม่เที่ยงนะดูให้เป็นนะจะเห็นว่าไม่เที่ยงเลยเปลี่ยนตลอดครับขอกันบ้านครับหลวงพ่อต่อไปนี้ดูขันทำงานไปเขาทำอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำงานตลอดเวลานะอย่างความรู้สึกเนี่ยมีตลอดเวลาสุขทุกเฉยๆมีตลอด จิตที่เป็นกุศลบ้างกุศลบ้างจิตที่เป็นกลางกลางบ้างก็มีอยู่ตลอดสุขทุกเฉยเฉยมีตลอดมันไม่ใช่ไม่มีอะไรมันมีอยู่แล้วดูให้เป็นทน่านเองเห็นไหมว่าใจไม่คงที่เดี๋ยวใจก็หนักเดี๋ยวใจก็เบารู้สึกไหมรู้สึกครับออพอไปรวบเพื่มมาก็หนักเห็นไมไม่คงที่ไม่เที่ยงเห็นไหมมันหนักได้เองไม่ได้สั่งให้หนักมันก็หนัก เนี่ยมันสอนธรรมะเราทั้งหมดเลยนะความจริงเนี่ยแสดงตัวตลอดถ้าเราดูเป็นมันก็เข้าใจเกิดปัญญาความจริงนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วในกายในใจนี้นี่คนทั่วไปดูไม่เป็นไม่เห็นถ้าดูเป็นนี็จะเห็นโอ้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ ย, ปยไปดูนะมีแต่อนิจจังดูตัวนี้เยอะ กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็หลังๆเริ่มมีการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นครับทั้งในเรื่องของการกินแล้วก็ในเรื่องของการนอนการกินก็ลดอาหารลงครับเหลือ ว, วันละมื้อก็อยู่ได้อืการนอนก็สี่ห้าชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าก <c oughs> ุศลมันเกิดเยอะครับบางคนได้ก <คน S 1> <ๆ S 2> ินอาหารวันละมื้อนะมื้อกลางวัน ทั้งวันทั้งวันกินไปเรื่อยเลยกินมื่อเดียวที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไมนจะทําให้ใจเข้มแข็งขึ้นครับรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นไหมเข้มแข็งขึ้นครับนะเราจะข้ามโลกอ่อนแอข้ามไม่ได้หรอกเข้มแข็งอย่างนี้ยดีละแล้วมันกุศลมันเกิดไวมากนั่นแหะดีจนบางทีเอาไม่อยู่ฮะบางทีเอาไม่อยู่กุศลมันเกิด จะไปรู้อะไรกับมันกุศลเกิดก็ดีแล้วนี่ครับมันบางทียิ้มออกมาก็มีเออนั่นแหละมันมีความสุขนะมีความสุขอยู่ในตัวเองแหละพอนาไปจิตมันมีความสุขมีสมาธิมีบุญมีกุศลนะมันเบิกบานความสุขมันผุดขึ้นมาเองแล้วมันผุดขึ้นมาแล้วเราก็ดูธาตุดูขันทำงานต่อไปเอาว่ามาครับ นมาสการครับหลวงพ่อครับก็ไงก็ภาวนาโดยการเดินจงกรมครับกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนแล้วก็ร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูครับเดี๋ยวนี้ความฟุ้งในธรรมะลดลงยังลดลงแล้วฮะเออดีครับฟุ้งในธรรมะเยอะๆก็ไม่ดีนะครับมันเป็นมิปัตสนุครับให้เรารู้ทันมันไม่ครอบงําใจเราได้ความฟุ้งสั้นในธรรมะครับนะ ก็ดูมันทำงานไปครับนํามาสักงานเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณสองปีแล้วนะกลัวมี้ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ใจสั่นเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่ผ่านมาค่ะว่าว่ากายกับใจมันอยู่ทาง<อ>หางออกไปแล้วก็<อ>รู้สึกว่าใจมันสวิงน้อยลงอะค่ะเวลาที่เจอเหตุการณ์ อ, อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันสวิงก็คือยินดียินร้ายนั่นแหละค่ะแล้วก็แล้วกเ็เหมือนกับ เวลามีความทุกข์ผ่านเข้ามาก็รู้สึกว่ามันทุกข์สั้นขึ้นนะเจ้าค่ะคือแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในทางหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็เลยเรียนถามหลวงพ่อว่าว่าอย่างย่งวันนี้ก็รู้สึกว่าใจมันมัวมัวมากมากกว่าปกติอะไรอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรใจมัวหรือใจสว่างก็เท่าเทียมกันใจมัวก็รู้นะแล้วไม่ชอบก็รู้ใจสว่างแล้วก็ชอบก็รู้นะ เพราะนสภาวะทั้งหลายเนี่ยเป็นครูสอนธรรมะเราเท่าๆกันแล้วพอมาถึงจุดนี้ไม่จําเป็นต้องสว่างตลอดนะหลวงพ่อตอนภาวนาพรรษาแรกๆนะพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่สองพรรษาที่สเนี่ยบวชได้สองปีหน่อยๆใจที่สว่างนะมันก็มัวๆได้อีกนะทนไม่ได้เลยที่มันมัวไม่ชอบเลยหาทางแก้ใหญ่เลยแก้อย่างโ น, น้นแก้อย่างนี้สว่างขึ้นมาอยู่ๆไปก็มัวอีกแล้ว ยอมรับความมัวไม่ได้พันึงฉลาดเกิดฉลาดขึ้นมาว่าเนี่ใจกําลังปฏิเสธความมัวจะเอาความสว่างนะพอรู้ตรงนี้นะมันมัวหลอกเราไม่ได้มันก็เลิกมัวไปเองอะตอนนี้มัวแล้วยังใจเราหวั่นไหวนะมันก็เลยมัวไปเรื่อยๆแล้วเราคือจริงๆแล้วที่มันมัวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราไปเพ่งไปกดไปประคองเจ้าค่ะ มันมีปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะปัจจัยมีตลอดเวลาอย่างเราเข้าไปอยู่สถานที่บางแห่งเราก็เบิกบานไปอยู่บางที่ก็เครียดเครียด่ยดไหมเคยเป็นไหมนั่นะสิ่งแวดล้อมมันก็มีผลนะแต่จุดสําคัญนะไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกก็ตามใจของเรามีโมหะขึ้นมาเองก็ได้นะไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามนะใจเราเป็นกลางไหมให้รู้ตัวนี้ไปนะ ถ้าเป็นกลางสังอย่างก็สบายแล้วหลวงปู่เทศเคยสอนนะผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทางปวงสอนอย่งนี้นะส่งกันไปหลวงพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วค่ะหลวงพ่อบอกว่าใจไม่เป็นกลางแล้วก็ก็เสยส่วนไปเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนหลังก็ดูตามที่หลวงพ่อสอนไปก็เห็นสภาวะเยอะมากคะคะ อันยังที่ช่วยมากก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งทุกข์มากแล้วก็ไปเดินจงกรมค่ะแล้วก็เห็นใจที่ไหลไปที่ขาค่ะตอนนั้นก็เห็นสภาวะว่าใจไม่ทุกตอนนั้นค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าจะทุกไปทําไมมันไม่ได้ทุกตลอดเวลาก็ก็คือหายไปเลยใช่พอมีปัญญานะมันจะหายไปได้ถาบ่อนนะหายได้นานแต่ถ้าหายด้วยสมาธิจะชั่วคราวเช่นเราพามันหนีไปอยู่ที่ขาเราก็ไม่ทุกข์ละนี้หนี พอจิตมันกลับมามันก็ทุกอย่างเดิมแต่ถ้ามันเกิดความเข้าใจมันจะแก้ทุกได้ถาวรกว่าค่ะคือช่วงนี้ก็ดีขึ้นในการที่เห็นคนอื่นเห็นเรื่องที่เกิดทั้งหมดเป็นกลางมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่รู้จักแล้วก็ไปหลงลูกศิษย์หลวงพ่อเหมือนกันเนี่ยก็ต่างคนต่างก็มีความเห็นของตัวเองแล้วก็ก็ทะเลาะกันโกรธกันอย่างเนี้ค่ะแต่ว่าสองคนเนี่ยเขาเป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะคราวนี้หลวงพ่อจะแนะนำคนเบกาไว้ คือหนูอุเบกขาอยู่ค่ะแต่หมายความว่าในในถานะที่ตรงกลางหนูก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำสองคนนั้นยังไงสองคนนั้นเป็นพ่อแม่เราหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้ยลำบากหน่อยนะไม่คือหมาพ่อแม่กับลูกทะเลาะกันเรื่องพ่อแม่เนี่ยจัดการยากเขายังไม่เห็นทุกเห็นโทษนะก็ยังทะเลาะกันเยอะบอกสิเราอย่าไปสอนพ่อแม่ตรงๆนะ เปซีดีหลพ่อบ้างอะไรบ้างบางทีไปถามเขาบ้างก็ได้นะเอาธรรมะไปชวนคุยอะไรเงี้ยแล้วตอนลูกอะคะคือลูกเนี่ยโกรธพ่อแม่ให้รู้ทันนาสินะโกรธก็อยู่ในใจนะแย่ออกมาต้องทรีดพ่อแม่เหมือนเป็นพระอรหันนะนั่นปลอดภัยที่สุดเราอย่าไปทรีดพ่อแม่ว่าเป็นพ่อแม่เฉยๆคิดว่ากำลังอยู่กับพระอรหันพระอรหันเหมือนไฟ ไฟมีประโยชน์มากแล้วก็มีโทษร้ายแรงด้วยรเราอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเรามีโอกาสทําความดีได้เยอะอย่างเราได้ดูแลเขาได้อะไรเขาเนี่ยยิ่งถ้าพาให้เขาเป็นสมาทิทีิได้นะจะตอบแทนมุญคุณได้กา ร, รแทนคุณพ่อแม่เนี่ยที่จะแทนได้สำเร็จนี่มีอันเดียว ค, ค, คือทำให้พ่อแม่เป็นสมาทิทฐิ ถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเราไปพาทําบุญทําดีอะไรไปนะแต่เขายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เนะี่ยยังแทนคุณไม่หมดหรอก mm hmm. เราอาบน้ําป้อนข้าวให้ทุกวันทุกวันนะก็ยังแทนคุณไม่หมดแต่ถ้าเขาเข้าสู่ทางสายกลางที่ถูกแล้วนั้นได้โสดาแล้วเนะี mm ่ย hmm. เราแทนคุณสําเร็จละทําไม mm hmm. ให้พ่อแม่ได้ธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมพ่อแม่ให้อะไรเรามาพ่อแม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายเรามา งันการที่จะชดใช้พ่อแม่ให้หมดนะก็ต้องให้ตากับพ่อแม่เขาให้อายตนะกับเราเราก็ให้อายตนะกับเขาเพราะงั้นเราต้องมีชั้นเชิงนะสอนพ่อแม่ใช้ความอดทนมากเลยพ่อกับแม่ใครดื้อกว่ากันคุณแม่ค่ะแม่ดื้อกว่าเหรอบ้านนี้แปลกปกติถ้าพ่อแก่ๆนี่จะเซลจัดมากเลยเราเข้าเข้าหาฝ่ายที่ พูดง่ายก่อนเรียกกล่อมทางนี้ก่อนอค่อยๆเปลี่ยนเราเปลี่ยนตัวเองให้เขาเห็นว่าเราดีขึ้นนะเปลี่ยนพ่อให้พ่อดูดีขึ้นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแม่ทีหลังเวลาจะเข้าโจมตีก็ต้องดูอันไหนเข้มแข็งเอาไวท้ทีหลังดีแล้วล่ะที่ภาวน า, นากล่อมธรรมสการหลวงพ่อค่ะ ส่งกันบ้านในรอบ2ปีค่ะหลวงพ่อให้ดูกายก็สังเกตว่าเวลากายจะขยับอะคะ่ะเหมือนมีแรงดึงดูดอย่างเช่นมันคันที่ตรงนี้เราก็มือก็จะถูกแรงดึงดูดขึ้นมานะคะ่ะแต่บางครั้งมองเห็นมือยังไม่ทันขยับแต่เรารู้สึกแล้วว่ามือมันกําลังถูกดูดอะไรเงี้ยค่ะก็หลังๆก็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ขยับอะคะ่ะมันมันมีอะไรสักอย่างนึงมาบีบคั้นเราก่อนแล้วทาให้เราต้องขยับอะคะ่ะอย่างเช่นแดดส่องตาและเราไม่ชอบเราต้องเอื้อมมือไปหยิบแว่นกันแดดอะไรเงี้ยค่ะถูกค่ะ แล้วก็ก็จะเห็นใจตัวเองที่นิสัยไม่ดีด้วยค่ะค่ะก็เนี่ยภานาเป็นนะจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจนะะร่างกายเคลื่อนไหวเพราใจเป็นสั่งนะมันบีบคั้นมาจากใจใจมันสั่งแล้วเวลาเคลื่อนรู้สึกไหมมันมีพลังงานที่ผลักดันไปตัวพลังงานที่ผลักดันให้เคลื่อนนะตัวนั้นเ่ะเรียกว่าธาตุลมเป็นธาตุลมที่ผลักดันไปทําให้เคลื่อนไหวได้คําว่าลมมันไม่ใช่ลมแบบทางโลกนี้นะ ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่เป็นธาตุแบบทางโลกเนี่ยหรือไม่มัมีพลังที่ทําให้เราเคลื่อนไหวมันผลักให้เคลื่อนตัวนั้นเรียกว่าธาตุลมสังเกตไหมว่ามันไม่ใช่เราสักอันเดียวบางบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นนะร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายเนี่ยเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งนะเวลาจิตสั่งมันก็กระดุกกระดิกไดนะ้มันเป็นตัวรับออเดอร์ทั้งนั้นนะมันไม่ใช่เราหรอก เป็นสิ่งที่เราไปจิตมันเป็นสั่งได้สั่งไปสั่งมาบางทีทรยศสั่งไม่ได้ก็มีนะอย่างเรานอนหลับอยู่เนี้ยจิมตื่นที่มาสั่งให้ร่างกายกระดุกกระดิกนะีกระดุกกระดิกไม่ได้อย่างนี้นก็ไม่รับออเดอร์เหมือนกันนะเพราะงั้นบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้แต่ดูไปเถอะมันไม่ใช่เราหรอกนะการดูกายที่ถูกต้องจะเห็นจิตเห็นจิตแล้วใช่ไหม ครูบาอาจารย์สอนนะบอกดูกายเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมธรรมะมีทั้งธรรมะที่ดีธรรมะที่เลวนะเกิดอยู่ที่จิตที่เดียวนี่เองกุศลก็เกิดที่จิตอะกุศลก็เกิดที่จิตงังที่เราหัดดูกายดูกายนะเพื่อจะได้มาเห็นจิตมาเห็นจิตเราก็ได้เห็นสภาวะธรรมทั้งที่ดีที่ชั่วทั้งที่สุขที่ทุกพอเห็นมากๆเข้าก็เกิดความเข้าใจว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไป มีแล้วก็หายไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา<ค>นั่นเรียกว่าเข้ า, ขาถึงธรรมแล้วนะเพราะันดูกายไปดูกายแล้วเห็นจิตถูกต้องแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อ<ค>ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมานานแล้วอะค่ะยังไม่เคยส่งกันบ้านแล้วก็ที่ผ่านมาเข้าใจว่าตัวเองเอปฏิบัติเป็นสมถะบางช่วงแล้วก็เป็นวิปัสสนาบางช่วงอะค่ะ ไม่แน่ใจว่าที่ทำมาผิดถูกยังไงควรจะต้องแก้ไขยังไงหรือเปล่าะคะ่ะตรงวิปัสนาเห็นอะไรล่ะอะไรนะคะการทำวิปัสนาที่ว่าจิตมันได้วิปัสนาบางช่วงดูเห็นอะไรบ้างาก็ดูความคิดที่เกิดขึ้นเห็นความคิดที่เกิดขึ้นเห็นไหมมันเกิดได้เองค่ะเออถ้าตรงที่เห็นเกิดได้เองนี่ใช้ได้นะตรงนั้นคือเห็นอนัตตา วิปั ส, สนาต้องเห็นไตรลักษณนะ์ถ้าวิปั ส, สนา เ, นเราทําแค่เห็นรูปเห็นนามนี่ยังไม่ใช่วิปั ส, สนาต้องเห็นไตรลักษณ์อย่างเราเห็นว่าจิตมันคิดได้เองเห็นอนัตตาอย่าง น, นี้ใช้ได้บางทีจิตก็รู้ตัวอยู่เฉยๆนะั่นก็เป็นสมถ ะ, นะะทําในรูปแบบหรือเปล่ามีทำบ้างต้องท <ำ S 1> ําทุกวันนะการทําในรูปแบบจะทําให้เรามีแรง เรารู้วิธีรู้อะไรเนี่ยคล้ายๆเรารู้แผนที่แล้วแต่เรายังไม่มีแรงเดินทำในรูปแบบทุกวันจะได้มีแรงน ะ, ะทำคราวไม่ต้องเยอะหรอกวันหนึ่งสิบห้นาทีอ้าเชิญกลับบ้านขอบพระคุณค่ะ